คือคิดคิดตามคําสอนนะนะคิดตรึกคําสอนตรึกคําสอนเนี่ยเป็นสมถะคือในเนติหลายหลายแห่งท่านพยายามจะเน้นธรรมะให้เหลืออยู่สองคำคือคําว่าสมถะกับคําว่าพิปัสนานัเนี่ยเพราะว่าคําว่าสมถะก็เป็นคําที่กว้างมากพิปัสนาก็เป็นคําที่กว้าง ในในเทละคาถาในเทละคาฐานะครับที่ที่ในสมัยปัจจุบันเ็าบอกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาจะต้องเป็นปัจจุบันณอารมณ์เท่านั้นกับบางสำหนักบอกว่าก็คือสิ่งที่ปรากฏ ที่กําลังปรากฏจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่นะฮะแม้แต่ว่าเรานำํำในทีฆานิกายนะฮะในทีฆนิกายอัตกาถาอัตกถาทีฆนิกายและอะไรสูตรอะไรนะอัตถกาถาสามัญญผลสูตรสามัญญผลสูตรนั้นก็ยังเขาก็ายังไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อนะครับมผมผมไปเจออีกแข่งหนึ่งนะฮะในกุถกานิกาย เทละคาถาสารีปุตตะเทละคาถาที่สองท่านกล่าวว่าอย่างงี้ครับชื่อว่าชาวนะปัญญาเพราะอัฏถาว่าปัญญาเทียบเคียงพินิษพิจารณาทำให้แจ่มแจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นน่ะไม่เที่ยงเพราะอัฏถาว่าสิ้นไป เป็นทุกข์เพราะอัตถะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นนันตาเพราะอัตถะว่าไม่มีแก่นสารแล้วแล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับรูปได้ไวนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของเวทนาเหมือนกันนะฮะพิจารณาเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันว่าอยู่ในสามมรรลักษณะนี่นะฮะตอนคือตอนท้ายว่าแล้วแล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับ รูปเวทนาสัญญาได้ไวเนี่ยชาวนะปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นมหาคุสลยานสัมมยุทธในโลกียจิตลื่น อ, อยู่ในโล ก, กุตรจิตครับที่ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือปัญญาในชาวนะในมโนทวารวิถีขณะที่เจริญนิพพสสานถูกัหมฮะที่ผมอ่านมาเนี่ยถูกมฮะมันก็พิจารณารูปในอดีตในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยนะฮะ ว่าไม่เทียบเป็นทุกบรรดาตาเนี่ยอันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในอยู่ในกําลังพิจารณาสามัญลักษณะก็เป็นวิปัสนาเพราะเธอกำลังเป็นวิปัสนาเนี่ยนะฮะซึ่งได้ทางรูปพิจารณารูปที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะแต่ตอนท้ายนี่นะฮะบอกว่าเมื่อพิจารณา ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแล้วแล่นไปในพระนิพพานซึ่งเป็นที่ดับรูปได้ไวอันนี้เนี่ยครับเลยไปถึงโลกุตตระอย่างครับตอนนิพพานก็แล่นไปนิพพานก็แล่นไปในนิพพานได้ไวด้วยนะครับคือคือคืออัตถกถาอันนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยตรงนี้ไม่ใช่อัตถกถา ต ร, ตรงนี้เป็นพุทธพจน์เป็นข้อความในปฏิสัมพิธาม <imme> ัชท่านอัตถกถาตรงนี้ยกมาจากปฏิสัมพิธามัชปัญญกะถ า, <specific. S 2> นนาในหัวข้อว่าชวนะปัญญาในปัญญาสิบกว่าชนิดเนี่ยนะปัญญาสิบกว่าชนิดท่านอัตถกถาตรงนี้มีในข้อความในปฏิสัมพิธามัชปัญญกะถาชื่อว่าปัญญกะถา ตรงนี้ได้รับการอ้างจากอัตกถาหลายๆแห่งแม้กระทั่งอัตกะถาลักขณะสูตรทีขณิกาเนี่ยนะที่เราเคยเรียนเรื่องกรรมอ่ะตรงนั้นก็ท่านก็ยกข้อความในปฏิสามพิธาอย่างนี้แล้วก็ที่อื่นๆ อ, อีกก็ยกข้อความอันนี้ไปเนี่ยนะเพราะถ้ายอมรับการเจริญวิปัสสนาตามตามปฏิสัมพิธาหรือตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะเขาไม่เกี่ยงอารมณ์อะไรเลย คือไอที่เขาเกี่ยงนี่เกี่ยงว่ากิเลสพึงเกิดแต่อารมณ์ใดก็พึงห้ามแต่อารมณ์นั้นนะนะหลักการกว้างๆใหญ่ๆก็อย่างที่พระองค์ตรัสกับพระราธาในขันธวารวักนะนะที่ว่าเธอจงเป็นผู้ไม่เพ่งเลงในรูปประคันที่เป็นอดีตคำว่าเพ่งในที่นี้หมายถึงอภิชาเนี่ยนะคืออย่าไปมีอภิชาในรูปประคันที่เป็นอดีตอย่ายินดีรูปประคันที่เป็นอนาคต แต่ไม่ได้บอกว่าอย่าไปพิจารณาขันที่เป็นอดีตอย่าไปพิจารณาขันที่เป็นอนาคตท่านไม่ได้ห้ามแบบนั้นท่านบอกว่าอย่าเพ่งแลงหมายคว่าสมวูทั่วทั่วไปก็บอกอย่าละอย่าอะไรอววรกับสิ่งในอดีตเลยแล้วก็อย่าละห้อยหาสิ่งที่เป็นอนาคตต่อไปแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อนิพิธาวิราคะนิโรธะเนี่ยนะ เพื่อตัดฉั้นทราคะในในในขันเหล่านี้ทั้งหมดคือพยายามจับจุดประสงค์ของการบําเพ็ญไตรสิกขาหรือโดยเฉพาะปัญญาสิกขานี่ยเนี่ยเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าการบําเพ็ญไตรสิกขาเหล่านี้เพื่อเพื่อถอนตัณหาถอนอวิชชาในขันทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าขันเหล่านั้นถ้าไม่พิจารณาเลยนะอะไรจะเกิดขึ้น เลยอย่างหนึ่งการเจริญวิปัสสนาก็คือการพิจารณาอริยสัจใช่ไหมอริยสัจพ้นเกิดแก่เจ็บตายไหมไม่พ้นแล้วตอนนี้เราอยู่ระหว่างไหนไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยอยู่ขณะไหนงั้นเกิดก็คิดไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วอดีตตายก็ไม่ต้องเอามาคิดเพราะมันยังไม่ถึงเพราะตอนนี้ยังเป็นอยู่นั่นนะแล้วเพ่งยังไงละคะนี้ ทีนี้ถ้าถ้าไม่อนะปฏิสนธิก็ไม่คิดเรื่องจุติก็ไม่คิดต่อไปแล้วพบหน้าเราจะไปกลัวทำอะไรใช่ไหมแล้วอดีตจะพบวัตถทุกอันยาวนานเราก็ไม่น่ากลัวอะไรแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเหพระพุทธเจ้าเตือนเสมอเลยในโดยเฉพาะพระสูตรที่ที่แสดงถึงเรื่องวิปัสสนาทั้งหลายท่านก็เวลาเห็น เห็นอะไรเนี่ยนะสมุทตาไปเห็นทุกขตะเข็นใจที่เรียกว่าโรคเต็มไปด้วยโรคพิการทั้งหลายแหละให้น้อมเข้าไปเลยว่าแม้ในอดีตเราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วเนี่ยนะท่านให้น้อมไปเลยนะว่าอดีตก็เคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ถามว่าอนาคตถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นทีนี้แก้อย่างไงล่ะ ที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแก้ตรงไหนหรือว่าแต่ถ้ามามาถึงก็หมายวิปัสนาผู้อนิจจังทุกขังอนัตตาและก็เข้าพระสมมาบัตเลยนะถ้าขั้นนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ไอ้ปัญหาก็คือไอ้ที่เจริญเนี่ยนะในวัตฏะก็ไม่ค่อยจะเห็นโทษเลยเนี่ยนะบุญบาปก็ไม่ค่อยจะรู้นรกสวรรค์ก็ไม่ค่อยจะเอามาคิดเนี่ยนะตายวันตายพรุ่งก็ไม่คิดเนี่ยนะคิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะการมวิตกพยาบาทวิตก ก็หมกมุ่นแต่ในวัตถุ ก, กามทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วก็มาวิจาร์เรื่องมิปัสนาเนี่ยเสียหายเสียหายชนิดที่เรียกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งเจ้าเขาเป็นกษัตริย์ลูกพระราชาเข้าไปถามสมณเณรรูปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สงบจากกามเนี่ยนะบอกโขาเขาเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยหมกมุ่นในกามถูกกามเนี่ยย้อมอยู่ใช่ไหพอไปพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาก็รับไม่ค่อยได้ ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะจริงๆเนี่ยนะเขาจะไม่ปฏิเสธบทและพยัญชนะทั้งหลายเหล่านี้เลยเพราะเขาจะดูว่าวัตถุประสงค์ที่แสดงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ยแสดงทำไมคงเราคงไม่ลืมใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงอุปาทานขันห้าเพื่ออะไรนะรประกาศอุปาทานขันห้าเพื่ออะไรเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัก การพูดถึงอดีตหรืออนาคตก็ตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายที่เรียกว่าพระวิปัสนาเนี่ยนะก็ไม่ควรพูดอยู่แล้วเนี่ยนะถึงปัจจุบันนี้ก็ตามนั่นะสมมติถ้าเอาแต่เฉพาะเรื่องในปัจจุบันมาพูดนะเราจะรู้อะไรบ้างเอา้ากนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับที่ที่การสอนการปฏิบัติธรรมที่ ที่แตกต่างไปจากคำพีเนี่ยแตกต่างไปแล้วก็ไปตั้งกฎเกณฑ์เอาเองเอะไรนี่นะครับแม่แต่เราอ้างพุทธพจน์ไปก็ยังไม่ยอมรับนะเราบอกเราอ้างพุทธพจน์ไปบอกว่าวิปัสสนาญาณ น, นั้นมีเจ็ดได้แก่อติตารมอนาคตารมปัจจุบันนารมปริตาร ah ตารมมหคตารมแล้วก็อัชตารมภาย พ, ห, นะพหิทธาลมอะไรนี่นะฮะท่านก็แยกบอกเอ๊ะวิปัสนาต่างกับวิปัสนาญาณ น, นะเอ๊ะต้องไปดูก่อนนะ<อ>ที่ท่านว่ามาเนี่ยคําว่าวิปัสนาญาณ น, นั้นมีเจ็ดอย่างนี้นะถ้าวิปัสนาเฉยๆนะมันอาจจะปัจจุบันอย่างเดียวตรงนั้นท่านพูดว่าอารมณ์ของวิปัสนานเนี่ยนะคือคําว่าวิปัสนากับคําว่ายานเนี่ยนะสองคำนี้มันต่างกันตรงไห น, นมันเหมือนกับคําว่าแก่นสาร น, นะวิปัสสนาก็เป็นชื่อของปัญญายานก็เป็นชื่อของปัญญาเนะมันก็คือสิ่งเดียวกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าปัญญาปัญญายางเงนะถ้าแปล <c oughs> ทับศัพท์นะหรือแปลว่าความรู้ความรู้อย่างเงี้ยนะเท่านั้นเองซึ่งผมก็ลอกไปตามคัมภีร์เลยอะปัญญายานจริงๆในในอัธกถาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าถึงยังจะไม่เลื่อมใสในคำสอนส่วนนี้ก็ไม่เป็นไร ถ้าปฏิบัติตามคาสอนในส่วนอื่นที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดก็ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยแล้วรีบปฏิเสธตรงนี้เสียหายมากเ <c oughs> นี่ย น, นะคือคำบางคำนั้นถ้าเกิดไปคาสอนนั้นถูกแล้วถ้าเราไปปฏิเสธว่าคาสอนนั้นไม่ถูกอันนี้มันมีโทษเนี่ย น, นะก็ก็ห่วงตรงนั้นแหละ น, นะตรงอื่นๆก็ก็ไม่เท่าไรหรอกห่วงตรงตรงตร ง, ตรงไหนที่พระผู้มีพระภาคก็แสดงไว้ แล้วก็คําสอนเหล่านั้นก็ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งไปปฏิเสธไปกล่าวช่วงจับไปดูหมิ่นไปตําหนิก็เท่ากับตําหนิว่าไม่ใช่สวากขาโตเมื่อตําหนิว่าไม่ใช่สวากขาโตแล้วนะบทที่เหลือจะตามมาทั้งหมดเลยว่าธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อสรรทิฏฐิกัวกากลิกโกะเพราะเป็นไม่ใช่สวากขาโตตั้งกรรันแรกแล้วแปลว่าพูดไม่ดีตั้งกรรันแรกถ้าพูดไม่ดีแล้วอ่ะ การปฏิบัติหรือผลแห่งการปฏิบัติจะดีได้ยังไงนะก็เท่ากับปฏิเสธตั้งแต่นในชั้นต้นทีนี้การปฏิเสธเหล่านั้นมีโทษเนีย่ยนะมีโทษแต่ก็ยางว่านะถ้ายัางเพลิดเพลินในวัตตะก็ไม่เป็นไรนสุขทุกข์บ้างอย่างนี้แหละวัตต ะ, ะไปคิดอะไรมากเนี่ยนะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะกล่าวถึงพระโกกาลิกนะหนึ่ง จำได้นะพระโกกาลิกะมีอยู่สององค์องหนึ่งก็คือจุละโกกาลิกะอีกองหนึ่งมาหาโกกาลิก ะ, ะจุละโกกาลิกะก็คือองค์ที่เอาเข่านี่กระทุงพระเทวทัตะนะกระอักเลือดนี่เห็นไหมเทวทัตบอกแล้วไม่เชื่อว่าจะไปคบสารีบุตรโมคะลานะบอกไม่เชื่อก็เลยเอาเข่ากระทุงเลยกระอักเลือดเลยหลังจากกระอักเลือดเขาก็หามมาให้แผ่นดินสูบหน้าวัดพระเชตวันนะ จันทุธันเห็นนะไอบ่อน้ําตรงนั้นอนะ่ะนั่นแหละมานะจมอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอีกบอ่อหนึ่งฝั่งนี้เป็นบอ่อที่นางจินจะมาณวิกาจมลงไปอีกโกกาลิกะหนึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสาลเขาสร้างวัดเนี่ยนะพ่อเนี่ยสร้างวัดลูกบวชเป็นเจ้าวัดตอนหลังพระสารีบดีพระโมคคัลลานะไปขออยู่จำพรรษาด้วยแล้วพระสารีบดีพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอย่าบอกใครนะว่าผมเนี่ยอยู่จําพรรษาที่นี่ อย่าบอกใครนะว่าเป็นอัคระสาวกมาเัินท่านก็อยู่จำพรรษาสามเดือนพอสเดือนบอกว่าออกพรรษาแล้วผมจะกลับแล้วนะท่านบอกท่านอย่าเพิ่งไปเลยอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านก่อนก็เข้าไปประกาศว่าชาวบ้านทั้งหลายมีใครรู้อะไรเลยว่าผ้าขาระสาวกมาอยู่จำพรรษาที่นี่ไม่หาอะไรไปทําบุญกับท่านบ้างเลยนะนะทีแรกก็คิดแล้วว่าแม่ถ้าข่าวของที่ไปทําบุญเนี่ยนะของเราเนี่ยไปโฆษณาไปขอเข้ามาเนี่ยยังไงท่านก็ไม่รับ ถ้าไม่รับเศษเจ้าวาดอะงี้ยก็เลยโจมก็เลยหอบน้ําผึ้งกันมาน้ําผึ้งเนยเยอะแยะเลยแล้วก็หอบผ้าอีกเยอะแยะมามาถึงภาษาดิบพระโมคะลานะก็บอกว่าของเหล่านี้ไม่สมควรแก่พวกอาตมาแล้วก็ไม่สมควรแก่โกกาลิกะแหมไม่ชอบเลยนะแปลว่าไม่ให้ไม่ให้เออตัวเองไม่เอาก็น่าจะให้เจ้าที่ก็ได้อยังไงนะก็ไม่คชอบไม่เลื่อมใสแหม่ โกรธอยู่แล้วตอนหลังภาษาบุตรพระโมคคัลลานะก็กลับไปที่เมืองสาวัตถีแล้วก็มาใหม่มาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เยอะแยะเลยทีนี้พอท่านเหล่านั้นนี่มาชาวบ้านก็เอาปัจจัยสี่มาถวายนีนะโดยที่พระโกคาริกะไม่ต้องมาแนะนําอะไรท่านก็รับแล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์ไปพระโกคาริกะก็เลยตําหนิดูหมิ่นภาษาบุตรพระโมคคัลลานะว่าแม้ที่แรกทําตัวเป็นมากน้อยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกปรารถนารามก นี่ยนะที่แรกทําเป็นไม่เอาตอนหลังก็เอาว่างัน้นทีนี้ก็เลยบอกว่าเราก็ต้องไปกําจัดภาษาลิบุตรกับพระโมกขลานะที่ต้นต่อซะก็เลยไปทูลกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าภาษาริบบทพรโมกขลานะเนี่ยเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกว่างัน้นพระพุทธเจ้าก็ห้ามว่าอย่าพูดอย่างนี้ภาษาลิบบรพโมกขลานะเนี่ยเป็นผู้มีศีล จงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุทและโมฆะลานะเธอโกกลิกาเขาบอกก็ไม่เชื่อว่าอย่างนี้อีกครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ห้ามเป็นครั้งที่สองก็ว่าเป็นครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็ห้ามเป็นครั้งที่สามด้วยกรรมที่ว่าร้ายพระพุทธพระสารีบพระโมฆะลานะว่าป่าถนาลามกเนี่ยนะแล้วก็เป็นคาที่หยาบเรียกว่าพุทวาจาเนี่ยนะ แล้วก็คําหยาบก็ไปพูดต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกรรมอันนั้นก็ตักเตือนว่ารีบหลีกจากพระพุทธเจ้าซะกรรมนั้นก็เตือนก็ร้อนพอเดินมาพ้นพระพักพระผู้มีพระภาคหน่อยหนึ่งตุ่มมันก็เริ่มขึ้นนะเริ่มขึ้นเลกๆกันอบเท่ า, มาเมล็ดงานเนี่ยนะทั่วร่างกายไปหมดไม่เว้นแม้แต่ขุมขนเดียวเนี่ยนะในร่างกายขึ้นมาหมดเลยตุ่มเท่ า, มาเมล็ดงานเนี่ยนะเล็กๆแต่หัวสิวเล็กๆกันนะสิวเสียมอะไรงี้ยนะ แล้วก็ตโ mm hmm. ก ต, mm hmm. ตขึ้นมาอีกหน่อยเท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็โตขึ้นมาอีกเท่ากับเมล็ดถั่วดําแล้วก็โตขึ้นมาอีกเท่าพุทราแล้วก็โตมาอีกเท่าเมล็ดกระเบาแล้วก็โตมาอีกเท่ามะตูมอ่อนแล้วก็โตขึ้นไปอีกเท่ามะตูมแก่อันนี้ไม่เหลือแล้วนะเน่าเลยไอ้คือมันก็แตกหลเยิ้มต้องคนก็ไปหาไอ้ใบตองกล้วยเนี่ยมารองให้เมล็ดกะเบลนี่ยจานเคยเหยียบเลยครับเท่ากับเมล็ดมะขามนั่นแหละเท่านั้น เม็ดกระเบ า, เเบาถ้าลูกกระเบาก็เท่าเราลูกมะตูมหรือทับทิมอนะันไหนกระเบ า, ะเาก็เท่ากับลูกมะทับทิมตัวตัวผลมันแต่มเมล็ดมันก็คล้ายๆเม็ดน้อยหนาคล้ายๆกลุ่มเนี้ยทีนี้มันก็แตกออกมาเขาก็ไปตัดเอาใบตองกล้วยมารองให้นอนตูทิพรมเนี่ยนะผู้เป็นอุปชาก็เลยคือ พ ร, พระโกกาลิกะที่ไปพูดร้ายแบบนั้นเนี่ยนะเทวดาที่เป็นภูมมะเทวดาเขาก็โพรทนากันใหญ่พอเทวดาเหล่านี้โพรทนาก็ค่อยๆสูงขึ้นนีนะอากาศเทวดาจารุมดาวดึงก็โพรทนาอย่างเงี้ยดังไปถึงพรหมโลกเลยนะได้ยินไปจนถึงอกคนิทภพหมายถึงว่าน่นนะ่ะได้ยินจนถึงพระอนาคามีพระอรหันต์ที่อยู่พรหมโลกนันะ่นแหละทีนี้อุปชาของท่านชื่อว่าตุทิปัจเจกพรหมเนี่ย ท่านก็เป็นพระเถระที่เป็นอุปชาเป็นพระนาคามีเนี่ยนะตาแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกก็ก็บอกมาบุคคลนี้เรายังอยู่ก็อย่าเสื่อมเลยนะอุปชาก็สงสารก็เลยลงมาเตือนลงมาบอกว่าจงยังจิตให้เลื่อมใสในภาษาริบุตรพโมคลานะเพราะว่าพระษาริบุตรพระโมคลานะเนี่ยเป็นเป็นผู้มีศีลนะตะโกกาลิกาก็บอกท่านเป็นใครว่างั้น กัปเจ้าตุทีเนี่ยนะตุทีพรหมที่เป็นอุปชาของท่านบอกว่าท่านเนี่ยท่านเป็นพระนาคามีพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วไม่ใช่หรือว่าท่านเนี่ยจะมาโลกนี้ไม่ได้อ่างั้น <c oughs> อันนั้ย้อนเลยนะท่านไม่รู้โทษของท่านนะนะสํานวนคถ า, ก, าก็บอกว่าโทษของตัวเองเนี่ยใหญ่เท่าใหญ่โตอนะเท่ามาตรูมส่วนโทษคนอื่นเนี่ยเล็กเท่าพันประกาศนี่ก็มองเห็นอย่างนั้นะท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าไม่กลับมาโลกนี้ น, นะนะพรหมก็เลยบอกแหมาวาจาเยี่ยงจอบเหมอนกันนะพุทธสวาจาวาจาเยี่ยงจบหรือเยี่ยงขวานเนี่ยนะที่พูดออกมา น, นะแล้วก็ตำหนิว่าไอวาจาเหล่านั้นมีโทษให้ละก็ไม่ละแล้วท่านก็บอกว่าคนที่ติคนที่ควรชมชมคนที่ควรติเนี่ยมีโทษมากเนีย่ยนะแล้วกล่าวถึงว่า ผู้ที่เสียการพนันเนี่ยนะถ้าเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านหมดช่องหมดครอบหมดครัวหมดลูกหมดหลานจนถึง น, นะการสิ้นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรมากมา ย, ยนนะกับการทําชั่วที่ไปว่ารา้ายพระอริยเจ้านนี่มีโทษอย่างมากเนี่ย น, นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็จุติเกิดในปทุมนรกปทุมนรกแปลเป็นไทยๆเราบอกนรกดอกบัวแตกถาบอกว่านรกดอกแบบที่ที่มันเหมือนกับมีแต่ดอกบัวแบบ เราไม่มีหรอกบอกเป็นส่วนหนึ่งของอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าโกคาลิกะรนี่ยตกปุมนรกแล้วว่าภิกษุก็ถามว่าเออายุของปทุมนรกนี่มันสักเท่าไหร่เชยพระเจ้าข่าก็บอกว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีนี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้นี่อุปมาได้ไหม น, นะภิกษุถามพระพุทธเจ้าอุปมาได้ไหมพระเจ้าข่า พุทธเจ้าบอกอุปมาได้ น, น, นะนะเหมือนอย่างว่าเกวียนของชาวมคตเนี่ยนะเกวียนอนะเล่มหนึ่งบรรทุกงาเต็มเกวียนเนี่ยนะบรรทุกงาเต็มเกวียนเลยสกักร้อยปีเนี่ยช้าไปแสนปีเอาออกเม็ดหนึ่งแสนปีเอาออกเม็ดหนึ่งแสนปีเอาออกเม็ดหนึ่งเนะี่ยก็บอกว่ามเมล็ดงาที่ยังไม่หมดนะนะั่นอะเมล็ดงามันหมดไปก่อนนะยังไม่ถึงอัพุธะ แล้วก็ยี่สิบอัพุทธะเป็นนิรภพุทธเนี่ยก็ไล่อย่างเงี้ยอีกประมาณเกือบสิบชั้นอ่ะนะเกือบสิบชั้นก็บอกว่าประมาณเท่านั้นแหละคือหนึ่งอายุปฐุมนรกเลยนะไม่ถึงไม่ถึง ไ, ไม่ถึงกลับไม่ถึงกลับน้องไม่ถึงหนึ่งกลับเลยนะนะก็โอ้ยอยู่นานมากอ่ะนะสรุปแบบม <ride> นะันก็ยิ่งกวคาังลือมอีกอะนะก็เม็ดหนึ่งเอาออกแสนตีอ่ะนะ แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่สิบเมตรที่ไหนมันทั้งกวียนะ่ะแล้วก็ถ้าพูดจำนวนง่ายๆก็เลยก็สักสองสามล้านกวียนเท่านั้นแหละเนีนย่ยนะยาวนานมากขนาดนั้นนั้นไอเหตุใดก็ตามถ้าเป็นไปเพื่ออบายนะเหตุนั้นเนี่ยอย่าไปทามันเด็ดขาดเลยนะละได้ก็ละเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกเนี่ยนะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีใครมาฆ่าหรอก คำสอนก็เหมือนกันในส่วนไหนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ไม่ไม่กล้องไปไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้ไปกล่าวเช่นนั้นเช่นนี้นะที่ยกมากล่าวเนี่ยเพราะว่ามีกล่าวในเรื่องพระอุบาลีเนี่ยเรื่องพระอุบาลีอัปทานเนี่ยท่านก็พูดแล้วว่าคนที่มีความผิดต่อกมสอนเนี่ยมีโทษมากเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจะไม่แปลกใจเลยนะให้สังวรว่า ทำไมหมู่สัตว์ในอบายจึงมากเหลือเกินนั่นนะณุามีกี่ไซส์วันนี้ไปดูมากี่ไซส์เราให้ฟังว่าโหมีหลายไซส์มากหลายขนาดเดราชานไม่ใช่อะไรก็ขนาดของตัวตั้งแต่เล็กๆกระจีดๆลงมาเนี่ยนะแทบจะสองไม่เห็นอยู่แล้วค่อยๆไล่มาเรื่อยจนมาเป็นเท่ากับขนาดมดขนาดปลวกขนาดหอยขนาดปูขนาด โตไปขนาดหนูขนาดเก้งกวางช่างเนี่ยนะาค่อ ย, อยไล่มาเรื่อยๆมันมีหลายขนาดมากอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็อะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกอะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นโทษแล้วก็ละล ะ, ละเวน้นเธอเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธถ้าช่วยกันปฏิเสธคนนี้ปฏิเสธซ้ายคนนั้นปฏิเสธขวาคนนี้ไม่รับสูตรนั้นคนนั้นไม่เอาสูตรนี้ คำสอนจะเหลือได้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อ่ะนะเสร็จแล้วก็มาต่างวิจารณ์กันว่าบางคนไม่เอาหลอกส่วนเท้าบางคนไม่เอาส่วนแขนบางคนไม่เอาส่วนหูบางคนไม่เอาส่วนจมูกบางคนไม่เอาส่วนภระเศียรอย่างเนี้ก็ทําลายกันทัชัดเนะี่ยคำสอนก็เหมือนกันที่ตรงไหนที่พระองค์แสดงไว้ก็ควรที่จะรับเธอและอย่างหนึ่งพระองค์ก็บอกแล้วว่าคําสอนใดที่พระองค์ตรัสไว้คําสอนนั้นอนะ่ะเป็นศาสดาเมื่อการล่วงไปแห่งเรา เนี่ยนะพอเมื่อพระองค์ประดับขันป ร, รินิพานไปแล้วเนี่ยนะคำสอนทั้งหมดจะเป็นาศาสดาแล้วก็อัตกถาด้วยดีกาด้วยท่านก็ยังบอกเลยว่าเมื่อเรามีพระชนอยู่เท่ากับเราผู้เดียวตามโอวาสั่งสอนอนุสาสนีเธอเธ อ, อทั้งหลายแต่เมื่อเราดับขันป ร, รินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันองค์เนี่ยจะตามโอวาสันุสาสนีพวกเธอทั้งหลายต่อไปเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับว่าคำสอนที่ที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะช่วยเราไม่ได้เราก็เท่ากับสูตรนั้นก็เท่ากับสมมตินนหนึ่งทรรมขันเท่ากับหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ถ้าบอกว่าท ร, รมขันนี้อ่าช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เราก็ปฏิเสธไป อันนี้ย้อนกลับมาเรื่องวิปัสนาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรก็เหมือนกันถ้าอ่านขันธวรวัชลายตนาวัคอ่านสังยุตติกายและจําให้มันได้ทุกสูตรนะจะรู้ว่าพ่องสอนหมดเลยนะคำพี์อื่นๆก็สอนอีกตั้งเยอะแยะแล้วก็อติตาอตีตติกะอตีตารมณติกะเ น, นี่ยนะในอภิธรรมทั้งเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งในขันในคัมภี์ไม่รู้กี่สิบคำพีเนี่ยนะที่พูด ทีนี้ถ้าปฏิเสธโหปฏิเสธไม่รู้กี่คัมภี์ต่อกี่คำพีทีนี้ถ้าปฏิเสธปั๊บก็ไม่ควรต่อการแพ่งเมื่อไม่ควรต่อการแพ่งก็ไม่เอามาไข้ครวนพระธรรมทั้งหลายถ้าไม่เอามาไข้ครวนถามเราจะเกิดทีริโอตะปะไหมเนี่ยนะซึ่งพระธรรมเหล่านั้นพระองค์ก็แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยนะยังชอบพุทธพจน์ในกีตากิริสูตรว่าสาวกทั้งหลายควรทําในใจว่าเรานี้เป็นผู้ไม่รู้ พระศาสดาคือพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยนะแล้วก็พระองค์แสดงไว้อย่างไงเราก็ควรปฏิบัติตาม น, นะก็ควรปฏิบัติตามแล้วก็มีอยู่พยัญชนะนนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ควรไปต่อรองอะไรทั้งนั้นทนั้ น, น, น, น, นนะแล้วก็มีอยู่สูตรหนึ่งนะที่พระองค์ตําหนิอุบาสิกาคนหนึ่ง ท, ที่ที่ว่าอุบาสิกาพูดถึงว่าอุบาสกคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งอยู่เป็นค า, ารวะจุติและไปเกิดในดุสิต ประสงสัยเอยพระพุทธเจ้ารู้หรือว่าพระองค์ไม่รู้ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยพยากรณ์อุบาสกสองท่านว่าไปดูสิทธิทั้งคู่เนี่ยนะอีกคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนางก็สงสัยพระพุทธเจ้าตําหนิแรงมากสุดนั้นบอกว่าอุบาสิกาคนนั้น่ะเป็นใครพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครเ <laughs> นะมืนกเนี่ยนะมันก็มันเทียบกันไม่ได้เลยนะมันติดกันไม่ได้เลย มันถ้าเราไปวิจารณ์แล้วก็สร้างความเสียหายมากๆขนาดย่าว่าอย่าว่าระดับเราทั้งหลายในยุคนี้เลยไปดูเถอะในพระมหาอายกพระมหากัจจายนะเนี่ยนะที่เป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในการแสดงความย่อย่อให้พิสดาร น, นี่ยนะเวลาใครมาถามปัญหาท่านท่านจะบอกว่าทําไมท่านละเลยไม้แก่นมาถามกิ่งถามใบอะไรงี้ยนะพระพุทธเจ้ายังอยู่ทําไมท่านไม่ไปถามเหมือนกัน ท่านท่านมีความเคารพย้ำเกรงในในพระธรรมคำสอนมากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็บอกแล้วก็หลายหลายสูตรนะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไงนะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆในยุคนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาพยัญชนะไม่เอาคำสอนเหล่านี้เป็นหลักถามจริงๆเราจะเอาอะไรเป็นหลักเนี่ยนะพุทธังท า, า, า, ามังสังคังสระนังคัจฉามิเนี่ยเราจะเอาส่วนไหนจริงๆฮะ น, นะ ถามหาเราจะเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยนะพระองค์พระพุทธเจ้านี่ก็เยอะแต่เฉพาะถ้าในส่วนอัติมัสมิงกาเยเกษาไล่มาในร่างกายพระองค์นะพระเกษ า, าธาตุมีอยู่บ้างเนี่ยนะที่ที่พระองค์ให้ตปุตสษกับพลิกาไปทําเจดีไว้นะนี่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็พระเมารีที่พระองค์ตัดแล้วก็อยู่ที่ดาวบดึงนั่นแหะนะนะส่วนพระโรมานี่ไม่ได้ยินว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะแต่เกษาเนี่รู้ ทีนี้พระนขาเล็บไม่เหลือที่เหลือก็คือพระทันตะคือฟันเนี่ยนะอย่างพระทันตะหรือพระเขี้ยวแก้วทาถาก็เขี้ยวนะก็เหลือที่ศีกรกาบ้างที่ดาวดึงบ้างแล้วส่วนพร ะ, อ, ะอุรังค ธ, ธาตุอย่างเงี้ยนะก็น่นบางส่วนก็อยู่ที่ไหนที่ใกล้ๆเราอ่ะนะนอะไรนะที่ไหพระรานะ่ กระดูกหายป ร, ราเนี่ยอยู่ที่ <บา S 1> ประทาตพนมนี่นะพระทาตพนมแล้วก็มีกระจัดกระจายทั่วๆไปเนี่ยนะไมตอนนี้ไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างแล้วในส่วนรูปประคันเท่านั้นเองนะของพระองค์ก็ยังยังยากแล้วเราจะเอาส่วนไหนไหนที่ที่เราจะเอามาเป็นสารณะเอาพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปนี้จะเอาองค์ไหนล่ะประเทศไทยนี่มีไม่ต่ำกว่าล้านองค์อ่ะนี่นะแล้วก็ที่เสาชิงช้ามไม่ใช่น้อยเลยนะ จะขนมาสักกี่ครั้งสิบลอ้อละไม่ใช่นี่นะแล้วจะเอาส่วนไหนนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีความชัดเจนไม่เข้าใจคุณแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆนะว่าถ้อยคําแต่ละคําที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเอาเจตนานั้นมาจับดูเถอะแล้วจะรู้ว่าเจตนาอันนั้นมันก็เหมือนกับค้าขายนั่นแหละจะ ก, กําไรหรือจะขาดทุนก็อยู่ตรงนั้นแหละนนะยิ่งคําพูดใดถ้าเป็นไปเพื่อปฏิเสธคํำสอนด้วยก็อันนี้ ขาดทุนแรงมากเนี่ยนะคือขาดทุนแรงยังไงก็บอกว่าก็พระพุทธเจ้าชี้ประตูแห่งอมะตะแล้วเราไปบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะแสดงก็ยอมรับประตูอื่นถ้ายอมรับประตูอื่นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไปหาทางอื่นถ้าไปหาทางอื่นก็แปลว่าเราหันหลังให้กับคําสอนถ้าเราหันหลังให้กับคําสอนก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วพระพุทธศาสนาไม่เอาพระพุทธเจ้า นะเรก็คิดว่าสะสมอุปนิสัยอย่างนี้ไว้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเราจะเอาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ายังไงก็มาสอนสิ่งเดียวกันพระพุทธเจ้าในการสามเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่มีความต่างกันคือที่ว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันในส่วนของคำสอนคือประกาศไตรสิกขาเหมือนกันแสดงอริยสัจเหมือนกันนะซึ่งเราก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะนะแล้วก็ เรื่องที่น่าเศร้ามากในยุคนี้ก็คือคำสอนจะหมดไปนั่นนะอันนี้ก็พูดแบบหมอบัรลบบอกไม่ต้องไปดูหนังที่ไหนมันเรื่องเศร้าอีกแล้วอนจะหมดจริงๆนั่นแหละไม่ไม่ล้อเล่นแน่หมดแน่แนเพราะว่าดูแล้วก็อย่าว่าคนนอกเลยคนในนี่แหละตัวดีเนกันนั่นนออโน่นนะก็อายุสักก็คิดดูนะเกณฑ์เฉลี่ยอายุแปดหมนปีอ่ะนะ ตอนนี้จะถึงแปดสิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคูณกี่ครั้งมันจะได้แปดหมืนปีอะ่ะนะคนละยุคคนละสมัยเลยอีกนานมากอีกหลายล้านปีะนะไม่ต้องห่วงแผ่นดินสูงโยอดหนึ่งอ่ะนะก็ประมาณสักยี่สิบกิโลเมตรแต่นะแผ่นดินสูงขนาดนะั้นอาไปสี่อันจึงกันมาต่อจากสี่อันที่เป็นตรงไหนลุงนั้นะสิ้นกับกับทำลายแล้วก็กักก็ว่างนั่นแหะถ้าสิน้น กนาพระเียแลก้กับทำลายกักบจะถูกทําลายกลับทําลายก็กลับใหม่ตั้งขึ้นกลับใหม่ตั้งขึ้นก็ถ้าเป็นเขามีอยู่สองอย่างคือสุญยากับกับสุญยากับสุญยากับนี่แปลว่ากับที่ว่างเปล่าศูนย์นะนะว่างว่างในที่นี้อ่ะไม่ใช่ไม่มีกลับกลับมีแต่ไม่มี<ต>พระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสุญญากับ ท, บ ท, บทีนี้อีกกลับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอสุญญากับคือกลับที่มีพระพุทธเจ้า ทีนี้กับที่มีพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าสององค์ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าสามองค์ก็มีสี่องค์ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์ก็มีแต่ว่าตามประวัติตามพุทธวงศ์แล้วเนี่ยนะที่ผ่านมายี่สิบแปดพระองค์เนี่ยมีกับเนี่ยพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะนะกับอื่นๆเนี่ยน้อยมากบางทีเนี่ยว่างจากพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยหนึ่งอาศงไข่หนึ่งอสศงไข่กับนะ หนึ่งอสงไขยกับเลยนะจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยว่างยาวขนาดนั้นก็คือหนึ่งกับก็หน่วยก็คือเท่ากับศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมก็เลขศูนย์อย่างเงี้ยร้อยสิบตัวนะเป็นหน่วยวัดของคำว่ากับแล้วนั่นเรียกอสงไขยกับพระพุทธเจ้าไม่มีเลยตลอดระยะเวลาเท่านั้นทีนี้ไม่มีเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามีใครจะบรรลุมรรคผลไม่มีนี่นะก็อยู่ค้างเติงไเฝ้า ว, วัดตไป กลับหนึ่งก็ถมกระดูกกองพเนรจนทึศไปคือมันมันกองพเนรจนว่าสะสมแบบนี้มากจนเห็นอะไรแล้วมันชอบได้เลยเกิดอภิชากะระทมมันัดได้รวดเร็วรุนแรงขนาดเนี่นะกิเลสมันมีกําลังเท่าที่เห็นเเนี่ยด้วยอนุภาพของการสั่งสมกิเลสเอาไว้เนี่ยนะสังสมไม่มอกมากเหลือเกินเนี่ยนะนก็มันคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแล้วท่านตื่นตัวมากที่จะรีบเร่งในการศึกษาและการปฏิบัติตามเพราะว่า โอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเนี่ยนะน้อยมากคือพูดถึงความยาก น, นะพระ อ, องค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าพุทธุ ป, ปาโททุรโพรการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะ น, นะแล้วก็การเป็นมนุษย์ก็มีของเป็นของยากการที่จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นความยากทั้งหลายเหล่านี้เธอก็ได้แล้วเธอไม่ควรประมาทนะนี่นะแล้วก็เราก็ไม่ควรประมาทในในชีวิตของเราด้วย แล้วก็ไม่ควรประมาทในคำสอนด้วยเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ที่เพึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆก็อาศัยคำสอนเนี่ยนะถ้าหากว่าทิ้งคำสอนไปแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปงานศพทั้งหลายแหลนี่นะถ้าเป็นงานศพที่เขาสวดอภิธรรมครบทั้งเจ็ดคำพีเนี่ย คำพีที่หนึ่งก็กุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาคัมภีที่สองก็ปัญจขันธารูปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทแล้วก็วิญญาณขันโทตถทธัตโมรูปักขันโทนะรูปนะตถทธตโมรูปักขันโทก็รูปประคันเนี่ยเป็นไง อยังกินจิรู ป, ปังอตีตานาคตะปัจจุบั น, นังอจตังวาพทธาวาโอฬาริกังวาเนี่ยนะวารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลียวประณี๊ยดใกล้ๆเนี่ยนะทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปประคันแต่ถ้าเป็นที่อื่นบอกว่าเนเนตังมมะเนโซหมามัสมิเนโซเมอัตตาติให้เธอตามเห็นรูปเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็สอนเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็สอนมากแห่งจน สํนวนว่าถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยผ้าอันนี้จะเกลื่อนตา ม, มากะนะนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอาจารย์เคยสอนเจอบ่อยไหมะนะบ่อยจ น, นเรียกว่าจนถ้าเป็นสมัยก่อนน่ดผานะนะรู้แล้วจนเขาไอ้สัจกะนิครณเนี่ยนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติสอนว่ายังไงสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละปกติสอนอย่างนี้จร มันก็บอกแม่เดี๋ยวถ้าเจอนะาจะแก้สักหน่อยจะแก้ทิฏฐิพระพุทธเจ้าสักหน่อยมันกันนะเขามีมารณขนาดนั้นนะแต่ตอนหลังพระองค์ก็สแสดงธรรมให้เขาฟังนะชาตินั้นไม่ได้บรรลุแต่ว่าตอนหลังเพราะหลังพุทธะปรินิพานตอนหลังก็บรรลุแล้วนะนะสัจจการนิครเ น, นี่ยพ้นทุกไปเรียบร้อยแล้วนะได้ศัตรูเป็นบัณฑิตกันเลยได้ดีนะแต่ว่าทงแก้ตั้งแต่สมัยนั้นนะแต่ถ้าไม่แก้เลยก็ยุ่งเหมือนกันน ะ, น ะ, น ะ, นะในบาปอีกบาปนะ สำคัญสำคัญก็บุญทําได้ไม่มากก็อย่าทําบาปให้มากนี่ก็ถือว่าได้บุญเยอะแล้วนะคําสอนข้อแรกว่าสัพพปาปัสาการนังเนี่ยอย่าทําบาปนะกุศลสูบประซัมประธาแล้วก็บําเพ็ญกุศลสัจจิตตปริโยธปานังก็ทําจิตของตนให้เขารอบให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบาปถามว่าที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยบาปทวารไหนกายวาจาใจเนี่ยนะ ถ้าน่ากลัวรุนแรงที่สุดคือทวารใจเพราะแต่ทีนี้ทวารใจที่หลุดออกมาสังเกตเห็นบ่อยก็คือทางวาจาเนี่ยนะกายก็ตามมาจริงๆใจเนี่ยทำมากรองลงมาก็วาจาตามหลังไปก็เป็นกายอะไรก็ตามถ้าล่วงมาทางกายนี่หมาแสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะแต่ว่าอย่างอื่นนะกรรมบทที่มันล่วงได้บ่อยอะ คือข้อแรกเริ่มตั้งแต่มิจฉาทิฏฐินะข้อสุดท้ายเริ่มมามันจะผิดได้ได้ตามสมควรแต่ถ้าขนาดถึงกระทาปาณาติบาตแล้วก็แสดงว่าหยาบมากนั่นแะนะแต่ตัวบาปที่ทําบ่อยทําจนชํานาญมากก็เป็นบาปทวารใจนั่นแหละนะเริ่มตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิก่อนนะถ้าเรามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่เชื่อสิบประการปฏิเสธสิบอย่างนั่นะแหละเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นะนะ